เราคงคุ้นกับคําเปรียบเปรยว่าชีวิตคือการเดินทางการเดินทางนี่มันต้องมีจุดหมายปลายทางคนบางคนก็สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็มีจานวนไม่น้อยที่ไปไม่ถึงอาจจะหลงทางหรือว่าถึงไม่หลงแต่ว่าก็มีอุปสรรค ทําให้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางคนที่จุดถึงจุดหมายปลายทางก็ย่อมมีความสุขชื่นชมในความสำเร็จอาจจะมีคนชื่นชมสรรเสริญในความสามารถส่วนคนที่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ยอมเสียใจแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้คน อาจจะถูกหลงถูกลืมไปได้ซ้ำแต่ไม่ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เหมือนกันที่ทุกคนต้องประสบก็คือว่าในที่สุดการเดินทางนั้นก็ต้องมีจุดจบจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ถึงก็ต้องมีสักวันหนึ่งซึ่ง การเดินทางนั้นสิ้นสุดมีจุดจบจุดจบนั้นหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงความตายบางคนที่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เพราะว่าการเดินทางมันสิ้นสุดซะก่อนก็เลยไม่ถึงจุดหมายปลายทางส่วนคนที่ถึงจุดหมายปลายทางก็มีเวลาชื่นชมในความสำเร็จ ก็อยู่พักหนึ่งนะสุดท้ายก็ต้องหมดโอกาสนะั้นเพราะความตายมามาพรากอันนี้เป็นธรรมดานะที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อยู่ที่ว่าจะตระหนักหรือไม่บางคนก็หลงลืมไปเพลินกับการเดินทางเพลินกับ การไปให้ถึงจุดหมายบางคนอาจจะไม่เพลินแต่ว่าหมกมุ่นกับการไปให้ถึงจุดหมายปลายทางจนลืมไปว่าจะถึงหรือไม่ถึงในที่สุดมันก็มีจุดจบจุดสิ้นสุดท่านชุนเรียวสุสุกินาะที่ได้พูดถึงเมื่อวานนะที่ว่าท่านแบกหินแต่ตัวนะแต่ใจไม่ได้แบกเคยพูดไว้น่าสนใจว่า ชีวิตของทุกคนก็เหมือนกับเรือที่แล่นออกไปกลางทะเลซึ่งในที่สุดก็ต้องอับปางจะไปไกลแค่ไหนก็ตามจะเป็นเรือเรือพายเรือแจวเรือเดินสมุทรหรือแม้แต่เรือรบนะั้นสุดมันก็ต้องอับปางลงไปอับปางลงกลางทะเลกลางมหาสมุทรฟังดูก็ ชวนให้ห่อเหียวนะแต่ว่าสำหรับพระพูดแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่ควรห่อเหียวแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันให้ถูกหมายถึงเกี่ยวข้องกับความจริงอันนี้ให้ถูกเรื่องนี้พระเจ้าก็ตรัสเอาไว้นะในปัชมะโอวา พวกเราคงจำได้ว่าเมื่อพผู้เจ้ากำลังจะปรปนิพพานก็ได้ให้ประชิมโอวาทว่าวิยธรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปะเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดอายางตถาคตัสัปชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในขั้นสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าวยธรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ ถ้ายมงมาสู่ตัวเรานะมันก็หมายถึงชีวิตของเรานะในสุ่ก็ต้องมีวันจบสิ้นท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดบางทีท่านก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทาประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นปัจฉิมวาจาเป็นเหมือนมรดก เป็นบรดกสุดท้ายหนะ้าที่มอบให้กับพวกเราคนเราเมื่อกําลังจะละโลกนี้ไปหรือกําลังจะตายถ้าหากว่ายังมีโอกาสสิ่งที่พูดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะว่ามีเวลาเหลือไม่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องกันกรองว่าจะพูดอะไรบางคนก็ใช้โอกาสนั้นสั่งเสีย ลูกหลานแต่ว่าพระเจ้าท่านใช้โอกาสที่เหลืออยู่น้อยนิดเพื่อพูดในสิ่งที่สำคัญเป็นข้อความสั้นๆนะไม่มากแต่ว่ากินใจความมากเหลือเกินเพราะว่าอปรมัทถธรรมหรือความไม่ประมาทนี้พระเจ้าจรัสเคยจัดว่ามันเหมือนรอยเท้าช้างที่รอยเท้าสัตว์ทุกชนิด ก็รวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างก็คือครอบคลุมนะรอยเท้าทั้งหลายในป่าเป็นอุปมาว่าอัปมาธรรมนี้เป็นธรรมะที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหลายของพระ เ, เจ้าทั้งหมดนะมารวมลงที่ความไม่ประมาทไม่ประมาทก็หมายถึงว่าควนขวายทำความเพียร น, นะทำกิจนะที่มีอยู่ให้ถึงพร้อมให้สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ในบางโอกาส เมื่อพิอจาจณดถึงหรือปาราบลบถึงความไม่เที่ยงพเจ้าก็จัดอีกแง่หนึ่งนะอที่เด่นชัดก็คือที่เป็นภาสิทที่เราที่พระสวดเป็นประจำในงานศพนะอันนี้จาวัตสังคาราอุปาทาวเวทมิโ น, โนอันนี้จาวัตสังคารานี่ก็ชัดอยู่แล้วนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป มีแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาความสงบระ ง, งับนะสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้ท่านหมายถึงการปรุงแต่งนะไม่ใช่หมายถึงร่างกายและการสงบระ ง, งับนี่ท่านก็กกแปลความอีกแง่หนึง่งว่าหมายถึงการปล่อยวางหยุดปรุงแต่งก็หยุดปล่อยวางนั่นแหละนะนนี้ก็บางคนก็สงสัยว่าพูดเจ้าพูดไม่เหมือนกัน พูดเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารแต่ว่าตอนหนึ่งก็บอกว่าให้ทำความเพียรไม่ประมาทแต่อีกตอนหนึ่งก็บอกว่าให้ปล่อยวางนะขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่ได้ขัดแย้งนะอันแรกนี่ก็ในเรื่องการทำกิจทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมดยมความไ ม, ไม่ประมาทนี่เป็นเรื่องการทากิจ คือขนาดที่ยังยังมีลมหายใจยังมีเรื่องมีแรงยังมีกำลังวังชาอยู่ยังมีอะไรต่ออะไรมากมายก็ต้องเร่งขนขวายนะทำกิจทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมโดยความตอนหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีนะอย่านิ่งดูดายอย่าชะล่าใจนะอย่าเพื่อเพอลินหลงไหลในความสุข สนุกสนานหรืออย่ามัวแต่ทําสิ่งที่ไม่เป็นสาระอันนี้ก็หมายความว่าขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีเวลาอยู่ส่วนบางสกุลตายเนี่ยนะที่เริ่มต้นได้ว่าอันตริจาวัตสังคารานเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อความตายมันใกล้จะมาถึงแล้วหรือว่าเมื่อความเสื่อมความสลายมันบังเกิดขึ้นแล้วถึงตอนนั้นทําอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ทําได้เดียวคือทําใจ ทำใจคือปล่อยวางาเช่นกำลังจะตายแล้วนะก็ต้องปล่อยวางวหรือว่าอย่าว่าแต่ผู้คนหรือความตายของเราเลยนะแม้กระทั่งข้าวของมันเสียหายเสื่อมสลายไปรถถูกขโมยไปแล้วนะบ้านก็แผ่นดินไหวพังทลายไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางมันไม่มีโอกาสที่จะไป ทําอะไรให้ดีขึ้นได้เพราะความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปล่อยวางอันนี้รวมถึงความตายของคนที่เราลักนะเมื่อเขาจากไปแล้วนะสิ่งที่ทําได้คือปล่อยวางมันทําอะไรไม่ได้อย่างอื่นแล้วเนี่ยคืนทําอาจจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นเช่นไป พยายามทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้มันผิดต้องเปล่าเสียเวลาเว้นแต่ว่าเขายังไม่ถึงข่าวตาจะฟื้นขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันแต่นั้นเรียกว่ายังไม่ตายจริงนะแต่ถ้าตายจริงแล้วก็ต้องปล่อยวางทําใจอย่างเดียวงั้นอันนี้พระเจ้าตรัสเนี่ยนะทั้งสองเหตุการณ์ปารลเรื่องเดียวกันคือความไม่เที่ยง แต่ว่ามีท่าทีต่างกันเพราะว่าในแง่ที่ว่าถ้าความพัดพลาดความเสื่อมยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องเร่งนะต้องรีบนะอย่าประมาทแล้วเมื่อความพัดพลาดความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําใจนะปล่อยวางอันนี้เรื่องความความไม่ประมาทเนี่ยสิ่งที่จะกระตุ้นเราให้เกิดความไม่ประมาทก็คือการระลึกนึกถึง ความตายความไม่เที่ยงความไม่จีรังและการระลึกนั้นเนี่ยก็ต้องระลึกถึงขั้นที่ว่ามันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความตายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะคิดว่ายังฉันยังหนุ่มสาวฉันยังอายุแค่23่0 40ี่สิ ฉันยังมีสุขภาพดีเอาคนที่คิดแบบนี้เราประมาทเพราะว่าความตายอาจเกิดขึ้นวันนี้วันพรุ่งก็ได้ผู้เจ้าตัดแม้กระทั่งว่าคนที่คิดว่าฉันยังมีชีวิตอีกหนึ่งวันอันนี้ยังประมาทอยู่คนที่คิดว่าฉันยังมีชีวิตอีกครึ่งวันแล้วค่อยตายนี่ก็ยังประมาทอยู่คนที่คิดว่าฉัน กินข้าวจบกินข้าวเสร็จแล้วแสงก็จะตายอาจจะตายได้เนี่ยอันนี้ยังประมาทอยู่แล้วต้องคนที่คิดว่ากินข้าวสี่ห้าคำแล้ว จ, จะตายก็ยังประมาณนะต่อเมื่อคิดว่าเนี่ยกินข้าวยังไม่ทันหมดคําก็อาจจะตายได้เนี่ยหรือว่าหายใจเข้ายังไม่ทันหายใจออกก็ตายหายใจออกยังไม่ทันหายใจเข้าก็ตายอันเนี้ถึงนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ท่านพูดขนาดนี้เลยนะก็สอบข้อกับพระสิทธิเบนนะบอกว่า ระหว่างพุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยมีชาติหน้าคิดแบบนี้ประมาทนะเพราะว่าอาจจะไม่มีวันพุ่งนี้ก็ได้นะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยในโลกนี้มีคนประมาณแสนห้าหมนคนที่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาประมาณหนึ่งแห้าหมนคนนะ วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเลยคำถามคือว่าเราแน่ใจได้หรือเปล่าว่าเราจะไม่เป็นหนึ่งในจำนวนคนกลุ่มนั้นนะใครที่คิดว่าฉันไม่ได้นับอยู่ในคนกลุ่มนั้นด้วยหรอกอันนี้ยังประมาทนะเพราะความตายมันใกล้ตัวมากงั้นถ้าเรารู้ถึงความตายแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้เราไม่ ไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปจะเป ร, ประโยชน์ก็ต้องเร่งทำเร่งทําหน้าที่เร่งทําความเพียรหรือใครที่กลัวความตายนะก็จะต้องเร่งฝึกฝนตนฝึกฝนจิตเพื่อว่าจะได้ไม่กลัวความตายเดี๋ยวนี้ก็มีคนนะสนใจเรื่องนี้มากนะเวลาจัดข้อสเสื่องมรณะสติหรือเรื่องเผชิญความตายสงบก็จะมีคนมามาเรียนมา ม า, มาสมัครเยอะมากหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจมากแล้วคนที่มานี้ก็ไม่ใช่เป็นคนแก่นะส่วนใหญ่ก็สามสิบขึ้นไปบางทียี่สิบกว่าก็มีเพิ่งจบก็มีนะอันนี้ก็เรียกวา่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าเป็นเมื่อสักยีสบปีก่อนสาสิบปีก่อนก็คงจะ หาคนสนใจได้ยากอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความ ผ, ล ผ, ลผลันผวนปรนไปเยอะเกิดเหตุการณ์สึนามเิเมื่อสิบปีที่แล้วกำลังมีความสุขกำลังสบายๆเหมือนก็อยู่บนสวรร์ก็ตายไม่รู้เรื่องเลยหรือว่ากำลังอยู่ในโรงแรมก็โรงแรมก็ถล่มนะอย่างตึกรยัลพราซ่า ที่โคราชเมื่อ21ปีก่อนเนี่ยมันจะมีปะเหาเหล่านี้มากขึ้นนั่งเครื่องบินจะกลับบ้านนะอยู่ในเครื่องบินก็ระเบิดกลางอากาศยอย่างเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะที่บินจากฮอลแลนด์นะจะมาออสเตรเลียก็ไปไม่ถึงตายยกลำเลย หรือมาเลเซียลท์ที่จะไปปักกิ่งก็อยู่ดีก็หายไปจากหน้านฟ้าไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยแต่ก็เชื่อว่าตายกันหมดนะนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อวความตายมันเกิดขึ้นได้เร็วมากฉะนั้นสิ่งที่เราชาวพุกวลทำสองอย่างคือว่าขณะที่ยังมีเวลาก็ากต้องเร่งทําใช้เวลานี้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วขณะเดียวกันถ้าหากว่า รู้แน่ว่าความตายใกล้ามาถึงนะก็ต้องพร้อมที่จะปล่อยวางเพราะาไมปล่อยวางแล้วมันจะเกิดอาการที่รวดทุรนทุรายบางทีความทุรนทุรายเนี่ยไม่ใช่เพราะความเจ็บความปวดหรือทุกเวทนาของร่างกายนะในหลายกรณี หรือจะว่าส่วนใหญ่ก็ได้เวลาทุรนทุรายกระสรับกระส่ายนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหาทุกขเวทนาทางกายแต่มันเกิดจากใจใจมีความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะยังมีความยึดติดอยู่ยึดติดเรื่องอะไรบ้างนะอาจจะยึดติดเรื่องลูกปล่อยวางเรื่องลูกไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็ห่วงลูกมากนะเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนป่วยนี่ก็พูดถึงลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบลูกชาย เป็นห่วงลูกมากเพราะว่าลูกชายสองคนคนโตกับคนรองติดยาแล้วก็ติดคุกนะแม่ก็ห่วงลูกคนสุดท้องก็อแต่พูดถึงตอนตายนี่ปรากฏว่าตาค้างหลับตาไม่ยอมหลับพยายามปิดเปลือกตาก็ไม่ยอมปิดตายตอนอยังคืนตอนเช้าก็แน่นอนก็ค้างอยู่นั่นแหละจนกระทั่ง ญาติผู้ใหญ่มารับศพนะเห็นตาค้างเปิดตาอยู่ก็เลยก็เลยเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ญาติผู้ใหญ่ทำคือจุดทูปนะแล้วก็บอกผู้ตายว่าเรื่องลูกคนสุดท้องไม่ต้องห่วงนะฉันจะรับไปดูแลเองพอพูดจบก็ก็ลองปิดเปิือกตาดูเพราว่าปิดได้นะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกัน ก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยคงจะห่วงห่วงลูกถึงเวลาตายแล้วยังปล่อยวางไม่ได้เมื่อปล่อยวางไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ตายด้วยความทรมานบางรายก็จะยึดติดเรื่องทรัพย์สมบัติอย่างมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกก็ไตาวายแล้วก็ล้างายอยู่เป็นประจำล้างมาหลายปีแล้วแกก็รู้ว่าเนี่ย เวลาก็เหลือน้อยลงแล้วเพราะว่าล้างตายนี่มันคงล้างได้ไม่เกินสิบปี่วันหนึ่งก็เลยบอกลูกให้ไปเรียกทนายมาหน่อยจะทําพินัยกรรมจะแบ่งสันทรัพย์สมบัตินะลูกนี่กลับมองว่าเป็นล้างไม่ดีนะลูกก็ก็แปลเหมือนกันนะแทนที่จะดีใจเออพ่อกาลังจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้นะกลับไม่ให้ความร่วมมือกับพ่อนะแกล้งลืม คงเห็นว่าเป็นลางลางร้ายคงรักพ่อมากก็เลยไม่เรียกทนายมาไม่กี่วันหลังจากนั้นอาจจะไม่กี่อาทิตพ่อก็ไปล้างไตเพราะว่าความดันขึ้นปรีดเลยนะเนี่ยเซลล์ในสมองแตกก็ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลยื้อไปสองวันไม่สําเร็จก็ตายตอนที่ตายนี่ตาแกแกมีอาการหน้าเนือขโมวนนะ เมือการนั่นนี่คือขโมยเหมือนกับ ว, ว, ว่าคุณคิดอะไรบางอย่างหรือกังวลอะไรบางอย่างก็เดา ว, ว่าคงจะห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ลูกนี่แหละพ่อแม่บางคนนี่เขาก็ห่วงเรื่องเนี้ก่อนตายถ้าไม่ได้จัดการก็ตายตาไม่หลับนอันนี้เราห่วงทรัพย์นะไม่ได้ห่วงทรัพย์เพื่อตัวเองนะแต่ เป็นห่วงลูกไกลๆนะแต่ว่าจัดการทรัพย์ไม่ได้อันนี้ก็พอไม่ไปวางนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะตายอย่างไม่สงบนะบางคนก็ไม่ได้ห่วงลูกไม่ได้ห่วงทรัพย์นะแต่ว่าห่วงงานอันนี้เนี่ยคนที่คนที่อชอบทางานอันนี้ก็ น, น่าคิดนะไอ้งานที่ว่า อาจจะไม่ยังเป็นต้องเป็นงานอาชีพนะอาจจะเป็นงานเพื่อส่วนรวมก็ได้อย่างมีคุณลุงคนหนึ่งแกก็เป็นคนธรรมะธรรมโมชอบเป็นหัวเรียกหัวแรงในการพาคนไปทอดกระถินทอดพระปา่าเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัดที่ไกลๆวัดกันดานในชนบทเป็นคนที่เรียกว่าใจประเสริฐมากแล้วก็เอาจริงเอาจังทำยี่มายี่สิบสาสิบปีแล้ว แกก็ภูมิใจนะในชือ่อขงแกแต่ว่าวันหนึงแกเพระแกเป็นมะเร็งและมะเร็งก็ลามเร็วมากสุดท้ายแกก็มานอนอยู่ในระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลแต่แปลคือว่าแกมีการกระสับกระส่ายลูกก็คิดว่าเออถ้าพ่อธรรมะธมโมแบบนี้นี่ถ้าเปิดเทปธรรมะหรือว่าฟังพระสวดมนต์ก็คงจะดีนะแต่ปรากฏว่าไม่ช่วยเลยเปิดเทปธรรมะแล้วก็ พ่อก็ยังอักกระสับกระสายเทปสวดมนต์ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงนะพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดข้างหูกับผู้ป่วยบอกว่าเนี่ยไอโบส ท, ที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จบอกว่ามันไปโดนใจนะผู้ป่วยแกก็หยุดเลยนะหายกระสับกระสายเลยแซวกลายเป็นห่วงนะ แกเป็นห่วงเรื่องบนที่แกเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปสร้างเอาไว้คงจะรับปากด้วยซ้ำว่าตายไม่ได้ถ้าสร้างไม่เสร็จพอรับปากอย่างนี้เนี่ยก็ถึงเวลาจะตายก็ไม่ยอมตายนี่เรียกว่ามีความยึดติดนะการสร้างบุตเป็นของดีนะเป็นบุญกุศลเป็นมหากุศลเลยนะแต่ถ้าไปยึดติดนะมันก็กลายเป็นโทษ น, นะยึดติดอะไรเนี่ยแม้กระทั่งยึดติดในความดียึดติดในบุญกุศลนี่ก็ มันก็เป็นโทษได้เหมือนกันนะอะ่าไปคิดว่ายึดติดเงินเป็นโทษแต่ยึดติดบุญกุศลนี่ไม่เป็นโทษนี่อันนี้ไม่จริงนะถ้ายึดติดแล้วก็ขณะที่กำลังจะตายนี่มันมันก็ทิมแทงใจมันกลายเป็นภาระแต่พอเพื่อนพูดแบบนี้เข้านะเพื่อนก็พอเพื่อนรู้ใจพูดแบบนี้เข้าแกก็ปล่อยวางเนะี่ยพอปล่อยวางแกก็ไปสบายไม่กิไม่อะไรนะแกก็ตายสงบนะเนี่เห็นไ้มว่าความยึดติดเนี่ยนะ ตอนตอนใกล้จะตายนี่มันจะสร้างความทุกข์ทรมานมากบางคนก็ยึดติดในเรื่อ ง, อางบางคนปล่อยวางไม่ได้นะมีความรู้สึกผิดรู้สึกผิดอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเป็นคุณลุงนะเป็นเป็นพ่อของเพื่อนใจ่เจ้าชู้นะมีเมียน้อยก็เลยทะเลาะ ก, กับเมียหลวง แล้วก็ลูกสาวถึงขั้นทําร้ายลงมือทําร้ายทั้งตบตีทั้งเมียทั้งลูกสาวแล้วก็ตอนหลังก็ไปอยู่กับเมียเมียน้อยแต่พอตัวเองเป็นอมัมพาตขึ้นมาคงเป็นเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเลือสักอย่างนะเป็นอมัอมาพากับอัมพาตเมียน้อยไม่สนใจแล้วก็เลยต้องกลับมาอยู่ดูแลอยู่ในการดูแลของเมียหลวง เมยหลวงแล้วลูกสาวก็ดูแลปบบขอไปทีนะเพราะมีความโกรธความชังอยู่แต่ตอนหลังลูกสาวนี่หามาสนใจธรรมะนะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยต้องปล่อยวางต้องให้อภัยตอนหลังก็ไปกราบเท้าพ่อนะบอกขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีกับพ่อแล้วนะแกก็ตัง้งใจดูแลพ่ออย่างดีเมียหลวงกับบันการก็ตัง้งใจดูแลพ่ออย่าง ด, ดูแลสามีอย่างดี ก็เกือบก็เป็นสิบปีนะจกนกระทั่งเมื่อสักปีที่แล้วมัง้งแกก็อาการแกก็แย่ลงไปเรื่อยๆแต่แย่ยังไงนะก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตายสักทีก็แปลกใจนะคือคนเรานี่ถ้าอาการมันแย่มากๆเนี่ยมันน่าจะตายแต่แกไม่ยอมตายแต่ก็พูดไม่ได้เลยนะแต่ไม่ยอมตายสักทีเหมือนกับยื้ออะไรบางอย่างตอนที่ใกล้ตายลูกสาวกับเนหลวงก็ขอเข้ามาแล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่จนกระทั่งพระที่คุ้นเคยกับบ้านนี้นะมาเยี่ยมแล้วก็ก็รู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปพูดกับผู้ป่วยนะบอกว่าชวนให้ผู้ป่วยเนี่ยขอขมาเมียและลูกแล้วก็บอกเนี่ยยมพูดตามอัตมานนะก็ไม่รู้คนไข้เขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่า น่าจะรับรู้ได้เขาพูดไม่ได้แล้วโยมก็ว่าตามมาตมาว่าในใจนะแล้วก็พูดว่าเนี่ยกรรมบันไดที่ล่วงเกินภรรยาและลูกสาวนะด้วยการด้วยวาจาด้วยใจก็ดีทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวทั้งเจตนาะไม่เจตนาะก็ขอให้ขอเขามาในในการขอเขามากรรมเหล่านั้นขอให้กรรมเหล่านั้นเป็นอโหสิพูดทํานองเนี่ยนะ ราอกว่าคนไข้ก็ก็มีอาการที่เห็นได้ชา้ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลังจากนั้นวันนั้นแหละแกก็ไปเลยอันนี้ก็แสดงว่าแกคงติดค้างเรื่องติดค้างในใจนะเรื่องสามีเอ่ะเรื่องภรรยาแล้วก็เรื่องลูกสาวที่คงทําอะไรไม่ดีไว้ก็ยังเสียใจแล้วแกปล่อยวางไม่ได้ นี่ถ้ากิดปล่อยวางไม่ได้ละสังขารมันไปไม่ไหวกินก็คงตายทุทกข์ทรมานแต่ว่ายัางดีนะที่ได้ได้พระมาช่วยนะช่วยนําทางให้ปล่อยวางเรื่องการปล่อยวางนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะที่จริงมันสําคัญไม่ใช่เฉพาะตอนใกล้าตายนะมันสําคัญแม้กระทั่งในเวลาที่ยังมีชีสุขสบายเพราะว่าในขณะที่ยังไกลความตายอยู่มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ ระทบใจสิ่งที่ทำให้เกิดขัดอกขัดใจสิ่งที่ทาให้เกิดความสูญเสียพัดสิ่งที่เป็นความพัดพากสูญเสียทําไม่าไมปล่อยวางก็ก็เป็นทุกข์โกรธแค้นเศร้าโศกน้อยเนื้อต่าใจซึ่งมันก็ทำให้อยู่ไม่เป็นสุขอ่ะพูดง่ายง่ายอยู่ร้อนนอนทุกข์ แต่ว่ามันก็ยังพอมีเวลาที่จะคลี่คลายได้นะเรื่องเหล่านี้บางทีการเวลาก็ช่วยทําให้คลี่คลายแต่ถ้าใกล้จะตายแล้วยังไม่ปล่อยวางนี่ก็ทําให้ทุกทรมารมันก็ตกนรกเลยแล้วก็ถ้าตายไปในภาวะจิตใจแบบนั้นก็อาจจะไปอบายได้เนะพราะชาวผู้เราช่วยเรื่องจิตสุดท้ายแนละ้วจิตสุดท้ายเป็น อ, อกุศลก็ไปอบายเพราะการปล่อยวางสําคัญมาก เดี๋ยว้มาปล่อยวางตอนใกล้ตายมันไม่ได้นะมันต้องฝึกปล่อยวางตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีนะบางคนประมาทนะราะว่าตอนนี้ฉันไม่ปล่อยมาปล่อยเอาตอนใกล้จะตายเนี่ยอันนี้ยอันเรียกประมาทมากนะแล้วถึงเวลาก็ปล่อยปล่อยไม่ได้เพราะว่าคนเราพอใกล้ตายนี่แม้ว่าสังขารแม้ว่าร่างกายอ่อนแรงนะแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแรงตามไปด้วยนะมันกลับมีแรงมากขึ้น ไอ้ตอนที่ยังสุขภาพดียังมีสติอยู่บ้างพอช่วยยับยั้งกิเลสไม่ให้มาอารวาสแต่พอใกล้ตายเนี่ยสติอ่อนเนี่ยกิเลสมันจะคลองใจเลยจะเป็นกิเลสตัวไหนก็ตามกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวอิจฉาตัวน้อยเนื้อต่ำใจไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันจะยิ่งได้โอกาสที่จะมาครอบงมจิต ถึงบอกว่าเนี่ยเวยลาใกล้ตายเนี่ยเลียวแรงพระลานามัยน้อยลงแต่กำลังกิเลสนี่ไม่ได้ลดลงเลยกลับเพิ่มมากขึ้นถึงตอนนั้นตัวตนที่เป็นอะไรมันก็แสดงชัดเจนไม่มีการปกปิดทั้งสิน้นแสดงออกมาชัดเจนซึ่งก็ทำให้การตายเป็นเรื่องยากแล้วก็ลำบากนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากเจอสภาพเช่นนั้นเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องราลึกถึงความความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเสมอจะได้เป็นตัวกระตุ้นให้เราทําความเพียร น, นะทาความเพียรทั้งประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือเนี่ยแหละการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีการฝึกปล่อยวางนะที่ตรงจุดมากเลยนะปล่อยวางอะไรนะปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์ แล้วนะถ้าไม่ถ้าไม่มีสติที่ว่องไวปราดเปรียวนะมันจะยึดในอารมณ์มันจะยึดในความคิดนะแม้แต่เล็กๆในน้อยก็ยังไม่ปล่อยไม่วางมันจะยึดตะพึดตะพือเลยปล่อยวางเรื่องซั์นี่ก็ฝึกด้วยการให้ทานถ้าให้ทานเป็นนะให้ทานเพื่อสละจริงๆก็จะฝึกให้ปล่อยวางรั์แต่ถ้าปล่อยแต่ถ้าให้ทานไม่เป็นไม่ถูกนะมันก็ยิ่งยึดติดมากขึ้นนะเช่นทาบุญ เพื่อจะได้ถูกลอตเตอรี่นถวายสิบอยากจะได้ร้อยถวายร้อยอยากจะได้พันถวายพันอยากได้ล้านเนี่ย น, นี่มันก็ยิ่งยึดติดมากขึ้นแทนที่จะปล่อยฉะนั้นถ้าเราต้องการปล่อยวางทรัพย์นะก็ต้องฝึกที่ฝึกด้วยการให้ทานแต่ถ้าปล่อยวางเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความคิดที่เป็นอกุศลรวมทั้งกุศลด้วยก็ตามเนี่ยต้องฝึกสตินะ ฝึกสติยิ่งถ้าฝึกสติวนเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนี่มันปล่อยวางแม้กระทั่งตัวตนเลยปล่อยวางในความยึดความยึดมั่นสำคัญหมายว่าตัวกูของกูเยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าไม่มีตัวกูแล้วนี่มันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วไอ้ที่ยังกลัวอยู่เพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูยังอยากจะรักษาตัวกูให้เป็นอมตะเป็นนิรัน ก็เลยกลัวความตายเนี่ยหรือว่าบางทีก็กลัวว่าตัวตนจะดับศูนตายแล้วตัวตนจะดับศูนก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ในความกลัวนี้เป็นเพราะว่ายังมีความยึดมั่นในตัวตนสูงมากที่เขาเรียกว่ารักตัวจึงกลัวตายรักตัวกลัวตายเนี่ยมันความหมายง่ายหนึ่งคือพราะรักตัวจึงกลัวตายและที่รักตัวได้เพราะจะมีความหลงมีความหวงแหาในตัวตน แต่ถ้ามีปัญญาเห็นแล้วว่าตัวตนมันไม่มีจริงนะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจและรูปกับนาม น, นั้นก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะเมื่อเห็นเมื่อมีปัญญาใช่มันก็ปล่อยวางปล่อยวางความยึดมาในตัวกูของกูมันก็มีแต่พอเวลาตายก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะแล้วจะกลัวได้ยังไงแต่ถ้ายังทําไม่ได้ถึงขั้นนี้อย่างน้อย ก, ก็ฝึกสติเอาไว้ แล้วก็ฝึกปล่อยวางนะในชีวิตประจําวันของเราบางทีมันไม่ยอมปล่อยนะมันยังหวงแหนเอาไว้แต่พอลองลองนึกถึงความตายดูสิพอลองถึงความตายนี่มันจะช่วยทําให้คลายเช่นหวงแหนทรัพย์สมบัติเนยเสียดายเงินเสีดายโทรศัพท์ถูกขโมยไปแต่พอนึกถึงความตายมันก็จะได้ระลึกว่าตายไปนี่ก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง ที่มีจะมีสิบล้าลนล้านล้านก็ออกไปไม่ได้สักอย่างแล้วจะไปเสียดายอะไรกับไอ้เงินไม่กี่พันไม่กี่หมื่นหรือโทรศัพท์รถยนต์แก้แหวนเงินทองมันทําไม่ปล่อยวางได้ง่ายนะแล้วขณะเดียวกันมันก็ทําให้ถ้าเรารู้ถึงความตายเสมอทั้งความตายของเราเองหรือความตายคนที่อยู่ใกล้มันก็ทําให้เราใส่ใจคนรอบข้างได้มากขึ้นหรือแม้แต่คนไกลตัวก็ตาม อาจารย์โกวิทเขมนันนันท์ธาเคยเล่านะอาจารย์โกวิทย์นี่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์วัฒธาแล้วก็หลวงพ่อเทียนเป็นนักวาดเป็นศิลปินที่มีชื่อมากรุ่นเดียวกับหลวงพ่อคำเขียนนะยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าป่วยแล้วถ้าเร า, าตอนเป็นพระเนี่ยเคยไปพมา่าไปพมา่านี่ก็มีพระชาวไทยใหญ่เนี่ยช่วยเป็นอักขันตุกะชื่อพระสายพระสานี่ก็พาไป หลายที่แล้วก็วันหนึงก็ไปพาไปที่เจดีย์เชเวลกองโอ้อาจารย์เก๊ดดี้ชอบมากเนะเจดีย์ชเวลกองเนี่ยงดงามแต่ที่ไม่ชอบคือพระสานี่อยากจะถ่ายรูปอยากจะให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปคู่อาจารย์ก๊ดดี้นี่ไม่ชอบเลยนะเรื่องการถ่ายรูปแบบแฟชั่นเนี่ยก็เดินหนีนะเดินหนีเลยนะพระสายก็มาตามแล้วก็บอสเนี่ยมาถ่ายเธอเพราะว่า ชาตินี้อาจจะได้เจอกันครั้งเดียวหลังจากนี้ไปอาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้จาง ก, กุ้ยก็ได้สติขึ้นมาเลยนะเออคนเรานี่เจอกับวันนี้วันหน้าก็อาจจะไม่ได้เจออาจจะล้มหายตายจากไปก็เลยตกลงอ่ะยอมทําตามพระสายนะอยากถ่ายรูปคู่ก็ถ่ายรูปคู่เสร็จ แ, แล้ววันลุ่งขึ้นก็กลับเมืองไทยไม่กี่วันต่อมาก็ได้จดหมายนะจากพ่อม่บอกว่าพระสายมรณับภาพนะ อารกูร์บิกิลเออไอที่เราตัดสินใจนี่ถูกแล้วนะเพราะถ้าเกิดไม่ทําตามถ้าเกิดว่าเอาความเห็นของตัวเ อ, เอาความต้องการตัวเองก็อาจจะเป็นการขัดใจพระสายก็อาจทําให้เกิดความเสียใจยไม่ใช่พระสายเสียใจเท่านั้นตัวเองก็จะเสียใจยด้วยว่าเนี่ยนะเขาอุตส่าหนะ์มาช่วยเป็นไกด์อะไรเพียงแค่นี้ทําให้เขาไม่ได้ไการเลิกถึงความตายก็ทําให้ท่านเนี่ยได้ทําได้ตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นะแต่บางทีบางกรณีเหตุการณ์อาจจะไม่เล็กน้อยก็ได้มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนะตอนบ่ายๆวันหนึ่งแกก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติสีหน้าของญาตินี่น้ำเสียงของญาตินี่แย่มากเลยแล้วก็ญาติก็อยากจะปรึกษาอยากจะระบายแล้วก็อยากจะชวนให ให้เธอเนี่ยไปหาที่บ้านตอนเย็นหน่อยแต่ว่านักธุรกิจคนนี้แกบอกว่าแกกาลังวุ่นนะงานกาลังเยอะไม่มีเวลาจะคุยด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาที่บ้านตอนเย็นด้วยฉันกาลังยุ่งนะไม่มีเวลาแล้วก็วางหูปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ทราบว่าเนี่ยญาตคนนั้นที่โทรศัพท์ไปเนี่ย่าตัวตายผูกคอตาย เธอก็เสียใจมากนะเธอเชื่อว่าถ้าเธอให้เวลากับอ่าหญิงคนนั้นได้คนนั้นแล้วก็ยอมเสียเวลาไปไปหาที่บ้านหน่อยก็คงจะรู้ว่าหญิงคนนั้นเขาตัดเขาคิดอะไรอยู่ในใจก็าอาจจะท่ามปรามทักท้วงไม่ให้ค่าตัวตายหรือถ้าฟังเธอระบายเธอก็อาจจะสบายใจอยู่ทั่งตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายก็ได้เธอก็เสียใจนะ ให้ความเสียใจเธอมาได้คิดว่าเนี่ยถ้าเฉลียวใจสักหน่อยนะว่าเออคนเรานี่เจอกันวันนี้วันหน้าอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเจอกันทั้งทีก็พยายามใส่ใจให้เต็มที่ถ้าเธอคิดแบบนี้เนี่ยก็คงจะช่วยชีวิตของญาติคนนั้นเอาไว้ได้กรณีนี้มันก็ต่างกรณีนี้มันก็เป็นเอามาเทียบเคียงกับกรณีอาจารย์โควิดได้นะว่า บางทีถ้าเราตระหนักสักหน่อยนะว่าคนที่เราเจอคนที่เราพบปะคนที่เราพูดคุยเจอกันครั้งนี้พูดคุยครั้งนี้อาจจะไม่เจอกันอีกถ้าที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะไมเ่เราจะไม่ทําตามใจตัวแต่ว่าเราจะใส่ใจเขาและการที่เราใส่ใจเขานี่อาจจะมีอ น, นิสงส์มากสามารถจะช่วยให้เขาไม่คิดสั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ทางโลกล้วนๆเลยนะสำหรับคนทั้งหลาย ซึ่งได้ประโยชน์จากการซึ่งสามารถจะได้ประโยชน์จากการเจริญมรณาสติหรือการรู้ถึงความตายนะถ้าในแง่ที่กระตุ้นให้ไม่ประมาทและในแง่ที่กระตุ้นให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอ่าครนี้ก็พูดเกอบเท่านี้นะกราบะ